สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิชธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบเก้าเรื่องแม่น้ำที่มีน้ำทารงชีวิตพรจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดจนถึงข้อที่ห้าสิบสองครับยอห์นบทที่เจ็ดข้อที่สาสิบเจดจนถึงข้อที่ห้าสิบสองโปรดฟังพระจนะของพระเจ้า ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทํโรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสิ่งที่พระเยซูตรัตนนหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับเหตุว่า ยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังมิได้ประสบเกียรติกิตเมื่อประชาชนได้ฟังดังนั้นบางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นแน่คนอื่นๆก็พูดว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์แต่บางคนพูดว่าพระคริสต์จะมาจากกาลิลีหรือท่านกัมพีกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าพระคริสต์จะมาจากเชื้อพระวง์ของดาวิด แต่มาจากหมู่บ้านเบตเลเฮมชนบทซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้นเหตุฉะนั้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรื่องพระองค์บางคนใคร่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลยเจ้าหน้าที่จึงกลับไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกนั้นกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเจ้าจึงไม่จับเขามาเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลย ฝฟาริสีตอบเขาว่าพวกเจ้าถูกชักจูงให้หลงไปด้วยแล้วหรือมีผู้ใดในหมู่เจ้าหน้าที่หรือพวกฟาริสีศรัทธาในผู้นั้นหรือแต่ประชาชนหมู่นี้ที่ไม่รู้ธรรมบัญญัติก็ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้วนิโคเดมัสผู้ได้มาหาพระองค์ในคราวก่อนนั้นและเป็นคนหนึ่งในพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่ากฎหมายของเรา ตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อนและรู้ว่าเขาได้กระทําอะไรบ้างหรือพวกเขาทั้งหลายตอบนิโคเดมัสว่าท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือจนค้นหาดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยเพระเระจะนะเกิดขึ้นมาจากกาลิลีพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเพซูได้บอกกับสาวกและ บรรดาผู้ที่ฟังพระเยซูว่าพระองค์เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตประเด็นที่สองเราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้พวกเขารู้ว่าพระองค์มาจากเชื้อสายของดาวิดประเด็นที่สามก็คือประเด็นของนิโคเดมัส ซึ่งได้บังเกิดใหม่พี่น้องครับเราจะดูกันนะครับในเวลาสั้นๆ น, นี้เพื่อที่เราจะได้ถอดบทเรียนจากทั้งสามประเด็ดนนี้ในช่วงเทศกาลอยู่เพลิงนะครับจะมีขบวนศักดิ์สิทธิ์จากพระวิหารไปยังสะสีโลอัมสะสีโลอัมนี้ก็จะเป็นทานน้ำพุธรรมชาติไหลออกมาจากก้อนหินครับภูเขาปุรหิตกันก็จะใช้เหยือกทองคำบรรจุน้ำจนเต็ม นักร้องก็จะร้องเพลงขบวนพิธีก็จะเดินนะครับกลับเข้ามายัางพระวิหารในขณะที่มีเสียงแตรบรรเลงและเหล่าประชาชนโ่ล้องก็มีความชื่นชมยินดีมากเป็นการแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าสารรเสริญพระองค์สาหรับน้าที่พระองค์ประทานให้กับเหล่าบรรพชนในถิ่นธุรกันดารสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับฝนที่โปรยปลายลงมาเหนือพืชผลของพวกเขา ไร่นาของพวกเขาและเป็นการอธิษฐานขอฝนสำหรับฤดูการหน้าที่จะมาถึงด้วยพี่น้องคงจะนึกภาพออกนะครับในบ้านเราก็จะมีคล้ายๆกันอย่างนี้ในขณะนั้นเองพระเยซูทรงยืนและประกาศกับเราสาวบอกว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราแม่น้ำที่มีน้ำทํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นพี่น้องเห็นไหมครับขณะที่พวกเขากาลัง ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับน้ำเะเยซูยืนขึ้นมาและกล่าวว่าผู้ใดกระหายจงมาหาเราและดื่มเป็นการหมิ่นประมาทครับระเยซูกำลังหมิ่นประมาทพวกเขาประการที่สองก็คือพระเยซูท้าชวนของหลายว่าหากพวกเขาเชื่อพระคัมภีร์เขาก็จะต้องเชื่อในพระเยซูเองพี่น้องครับ เฉลยดีบทที่78ข้อ 15-16 ได้โยงความคิดนี้นะครับเรื่องน้ำครับถ้าพี่น้องมีโอกาสเปิดดูนะครับเซลยดีบทที่78ข้อ 15-16 ถ้อยคำที่พระเยซูตรัสนั้นเป็นการหมิ่นประมาทเทศกาลอยู่เพลิงชาวยิวก็ถืออย่างนั้นนะครับในเวลาเดียวกันพระเยซูก็ท้าชวนเขาให้มาหาพระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นจากความกล้าหาญของพระเยซูในการพระเยซูนั้นจะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระองค์เองประเด็นต่อไปครับก็คือขณะที่ยอนกำลังบันทึกพระกิติคุณนี้พระเยซูต้องการสอนยอนและเพื่อนสาวกในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับหลังจากที่ผู้เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือช่วงที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูก็คือทรงเป็นขึ้นเหนือความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาในโลกนี้ในวันเพนเทคสเตเช้าวันนั้นเราประชาชนมีปฏิกิริยาอย่างไรครับบางคนก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยเพระะนะแน่ บางคนก็บอกว่าท่านผู้นี้เป็นพระคิดคนที่มีความรู้ก็บอกว่าพระเยซูเป็นพระคิดไม่ได้เพราะมาจากกกลลีคนพวกนี้รู้ในพระคัมภีร์นะครับมีคาบที่ห้าข้อสองเขาบอกว่าพระคิดที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากเชื้อสายดาวิดมาจากหมู่บ้านเบตเลเฮมแต่คนพวกนี้ไม่รู้ประวัติพระเยซูจริงๆหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพระเยซูไม่ไดไม่น่าจะเป็นพระคิ แต่ถ้าหากว่าพวกเขารู้ว่าเมื่อสาสิบปีที่แล้วนั้นพระองค์ประสูติที่เบนเลเฮมเหล่าทูตสวรรค์ก็ประกาศว่าพระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับบิดามารดาของพระเยซูก็สืบเชื้อสายวงวานของดาวิดพระนามของพระองค์ก็คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าหากประชาชนรู้อย่างนี้หรือหากคนที่มีความรู้รู้เรื่องราวลึกๆของพระเยซูเขาจะต้องยอมรับแน่นอน จากตรงนี้เองครับทำให้เราเห็นว่าประชาชนก็มีความคิดเห็นแตกแยกกันเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่มาจับกลุ่มโพรงนั้นก็ไม่ได้จับกลุ่มโพรง